ตอนนี้พวกเราโดนศึกกระหนาบนะสองงา น, นไอ้ฝุ่นนั้นก็เป็นศัตรูระยะยาวนะสต่ศัตรูเฉพาะหน้านี่ก็คือไวรัสต้องพยายามป้องกันตัวเทนะ่าที่ทำได้เลิกงานแล้วก็รีบกลับบ้าน แล้วก็นอนให้เร็วขึ้นนอนให้พอพวกเราบางทีนอนดึกโสมติดเชื้อง่ายพักให้พออยู่ในบ้านเราแต่มันมีจุดล่อแหลมอยู่จุดหนึ่งบ้านที่มีเด็กอะ่ะเด็กไปโรงเรียนมันจะติดหมดัดแล้วก็เลยเอามาติดพ่อแม่ คลยเป็นไส้ศึกแบบม้าโทรจารนไส้ศึกเอาเชื้อโรคเข้าแบบในบ้านมาวัดใส่หน้า ก, ากากไว้ก็ดีแล้วละอย่างน้อยก็ป้องกันตัวเองไว้นะบางคนก็มีเชื้ออะไรก็ได้ไม่แพร่ให้คนอื่นเข้า ถ้าเจ็บป่วยแล้วรู้ตัวว่าป่วยนะอยู่บ้านหรืออยู่โรงพยาบาลไปอย่าไปที่คนเยอะๆเอาเชื้อไปแพร่ต่อลำบากเมืองไทยเก่งนะเรื่องป้องกันโรคระบาดนะอยู่ในระดับใช้ได้เลยสาธารณสุขเราระบาดมาหลายรอบแนละ้ว เราเอาอยู่ทุกทีนะอะพวกอยู่วัดส่งกันบ้านนำ้ำมศการค่ะหลวงพ่ อ, อก็ยังไม่มีการบ้านเลยจะส่งก็จะแค่กราบเรียนหลวงพ่อว่าปฏิบัติฟังเทปหลวงพ่อมาตั้งแต่เดือนวิถุนาปีที่แล้วค่ะแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็เอาแบบอย่างของหลวงพ่อในการเจริญสติทุกวันนะคะ ก็ออเอาอย่างหลวงพ่อจริงเปล่า <laughs> เป็นเป็นแบบเป็นไอดอลเลยค่ ะ, ะหรือว่าพ่อตลวงพ่ <laughs> อไอดอลเอาเอาอย่างความเพียรของหลวงพ่อค่ ะ, ะแล้วก็ตอนตอ น, ตอนช่วงแรกเนี่ยจิตมันจะแบบมีความสุขมากล่าเริงแต่พอพอช่วงนี้รู้สึกมันมันไม่ค่อยล่าเริงมันมีแต่ความเศร้าวความทุกข์อะค่ะดูเขาไปตรงตงค่ะเนี่ยให้มันครอบใจเรา ก็ไม่มีอะไรค่ะแม่ถ้าหลงพ่อไม่ตามีอะไรแนะนําก็ขอความกรุณานะคะปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมค่ะปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมเออเมื่อก่อนนี้จะไม่เหมือนค่ะตอนนี้จะรู้สึกจะมันจะเปลี่ยนแปลงแบบรู้ตัวอีกเพาเปลี่ยนแปลงเย็นขึ้นสงบขึ้นไม่ใช่ขณะเนี้ยขณะนี้จิตธรรมด า, าอยู่บ้านก็เหมือนตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะสมาธิยังผิดอยู่ จิตยังไม่ถึงฐานจิตยังไม่ตั้งมั่นยังไม่ตั้งมั่นใช่ไหมคะเออเอาไมลงก่อนค่ะเอาไม่ล ง, าาลงวางไปก่อนหรือส่งก็ไปเลยแล้วหายใจไปหายใจไปเรื่อยๆหายใจแล้วรู้สึกไปตั้งใจมากไปหายใจธรรมดานี่แหละอย่าเพิ่มพูดจิตหนีไปแล้วรู้ไหม จิตไหลไปคิดของคุณยังฟุ้งซ่านอยู่งั้นพยายามรู้สึกตัวให้จิตใจอยู่กับเนื้อก็ตัวจริงๆจิตใจมันยังล่องลอยออกข้างนอกฟุ้งๆไปหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกอย่าแกล้งทำจิตให้ซึมตรงนี้แกล้งทำจิตให้ซึมเงี้ยแกล้งทำ มีจิตใจที่ปกติสังเกตไหมจิตเราไหลไปคิดแวบบแบบแวบบเรื่อยเรรู้ทันตัวนี้บ่อยๆพอเรารู้ทันโดยที่เราไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ว่ามันมันไหลแล้วรู้ไหลแล้วรูนะ้จิตจะเข้าบ้านเองตอนนี้จิต ย, ยังชอบไปครุปอยู่ในโลกของความคิดมันไม่กลับเข้ามาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวจริงๆ โลกของความรู้สึกตัวไม่ได้เกิดจากความจงใจให้รู้สึกถ้าจงใจจะรู้สึกจะไม่รู้สึกนะแค่เรารู้ทันจิตที่มันหลงไปไหลไปตรงที่รู้ทันนะจิตจะกลับบ้านเองนะถึงฐานร่ะนมัตการหลวงพ่อค่ะลูกอยากทราบว่าลูกปฏิบัติถูกไหมคะถูก ต้องทำอีกถูกแล้วก็ทำอีกแล้วขอถามอีกข้อหนึ่งนะคะคือปฏิบัติไปแล้วมีความรู้สึกว่ า, าหายใจมันมันละเอียดขึ้นนะคะต้องทำยังไงบ้างล่ะคะลมละเอียดก็รู้ละเอียดแล้วใจชอบเขารู้ละเอียดแล้วใจสงสัยเขารู้รู้ทันใจเป็นหลักไม่ใช่เอาลมเป็นหลักนะ การภาวนาเนี่ยเอาใจเป็นหลักไม่ใช่เอาอารมณ์กรรมฐานเป็นหลักถ้าเราเอาอารมณ์กรรมฐานเป็นตัวหลักเป็นตัวสําคัญเนี่ยจะได้สมถะแต่ถ้าเอาใจเป็นหลักเนี่ยจะเดินขึ้นวิปัสสนาได้เพราะนั้นหายใจไปเราทําสิรู้สึกไหมจิตมันซึมไป ตัวนี้มีโมหะแทรกนะไม่นจะให้ซึมนั่งเน่รู้สึกอย่างนี้สงบดีนะม่เรู้สึกตัวในพระสูตรท่านจะใช้คำว่าคูบันลังหมายถึงนั่งขัดสมาธิทำไมต้องนั่งขัดสมาธิ พอคนแข็งโยกนอนไม่ม pues ีเก้าอี้นั่งไม่ได้นั่งเก้าอี้นั่งกับพื้นเงี้ยนั่งกับพื้นถ้านั่งที่จะนั่งได้นานที่สุดก็คือนั่งกัดสมาธิถ้าเราไม่ถนัดนั่งกัดสมาธิเรานั่งเก้าอี้ก็ได้หลวงพ่อก็ไม่ได้นั่งกับพื้นน้ำหนักหลมากนั่งกับพื้นแล้วก็ลุกยากหลวงพ่อนั่งเก้าอี้นั่งแต่แต่ไรนะ ภาวนาก็นั่งเก้าอีก้ก็มันมีเก้าอี้ให้นั่งอ่นะงั้นเราก็เลยจุดสำคัญมันอยู่ที่ว่านั่งยังไงให้มันอยู่ได้นานๆนะอย่างถ้าเรานั่งพระเพียบอยู่ได้ไม่นานอเงี้ยบางคนชอบนั่งพระเพียบอยู่ได้นานเจ้าขุนนอนนี่นั่งพระเพียบได้โตลรุ่งเลยนะคนอื่นทำไม่ก็ได้ ยุคของเราก็นั่งเก้าอี้นั่งได้นานหน่อยแต่อย่านั่งบนเตียงนั่งเก้าอี้นะใครเคยนั่งภาวนาบนเตียงแล้วรู้สึกไหมมีรสชาติแบบไหนโลกนี้มีแรงดึงดูดสูงมากเลยเราจะเป็นสัตว์เลือ้อยคลานในเวลาอันสั้นจะเป็นสัตว์มนุษย์ตัวตรงให้เราลงไปเลือ้อยนั่งเก้าอี้ คูบันลงังตั้งกายตรงต่างกายตรงไม่ใช่ตรงเป๊ะนะต่างกายตรงตรงก็คือกายก็ตรงใจก็ตรงนะไม่ละทดละทวยเบื่อแล้วเกินบางทีตัวตรงนะแต่ข้างในนี่เราท้อละทวยเนี่ยตัวตรงเป๊ะเลยแต่ข้างในเนี่ ย, ย, นะ ย, นนย อ, อย่างเงี้ยก็ใช้ไม่ได้นะ เนี่ยกู้พลังตั้งกายตรงนะดํารงสติเฉพาะหน้าเห็นไหมจุดสําคัญคือการมีสติคําว่าเฉพาะหน้าตรงนี้ก็อย่าเข้าใจผิดหมายถึงให้ดูแต่หน้าไม่ดูที่อื่นนี่มีสติอยู่เฉพาะหน้าก็นะ <c oughs> ไม่ได้แปลอย่างนั้นนะคําว่าเฉพาะหน้าหมายถึงปัจจุบันมีสติอยู่กับปัจจุบันนะอดีต เลยไปแล้วอนาคตยังไม่มาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยคูบัลลังก์ตั้งกายตรงนี่ตรงมากไปมันจะแน่ น, นตรงพอดีๆแต่ละคนตรงไม่เท่ากันนะเมื่อคนตรงอย่างนี้นะพวกที่เล่นละครแบบโบราณนะ่ละครรําอะไรพวกนี้ตัวจะตรงเป๊ะเลยเขาฝึกมาดีแต่พวกเราไม่ได้ฝึกมันก็จะหย่อนนิดนิดหน่อยหน่ยนะถ้าแก่มากมันก็หย่อนเยอะหน่อย ตรงเท่าที่ตรงได้ไม่ฝืนไม่ใช่ฝืนตรงวนเครียดแล้วก็มีสติรู้สภาวะที่ปรากฏในปัจจุบันถ้าเราต้องการความสงบมีสติจับเข้าไปที่อารมณ์กรรมฐานเช่นเราพุทธโธมีสติจับอยู่กับพุทธโธเราหายใจมีสติจับอยู่ที่ลมหายใจ หรือเพ่งเลยจนอยู่ที่ตรงนี้ลมมันกระทบอยู่ที่นี้หรือกระทบตรงนี้นะกระทบที่นี้เอาจิตไปไว้จุดใดจุดหนึ่งนี่ก็เป็นสมถะทั้งหมดนะไว้ตรงนี้ก็เป็นสมถะนะแต่ถ้าเราจะทำหิปัสนาเราเอาจิตเป็นหลักไม่ใช่เอาอารมณ์เป็นหลักถ้าสมถะเนี่ยเอาอารมณ์เป็นหลัก เอาพุทโธให้ใจไปอยู่กับพุทโธหายใจให้ใจอยู่ที่ลมหายใจไม่หนีไปที่อื่นดูท้องพองยุบนะเอาท้องเป็นหลักให้ใจไปอยู่ที่ท้องไม่หนีไปที่อื่นเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้านี่เอาเท้าเป็นหลักนะไม่ให้ใจหนีไปที่อื่นอันนี้ได้สมาธิชนิดสงบนะถ้าต้องการทำให้ปัสนาเนี้เอาจิตเป็นหลักไม่ใช่เอาอารมณ์เป็นหลักมันมีคาอยู่สองคนะครับว่าจิตกับคาว่าอารมณ์ อารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้ตัวออบเจกต์จิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์คือตัวซนะับเจกต์อ็อบเจกต์กับซับเจกต์นั้นมันมีจิตกับอารมณ์ถ้าเราให้ความสำคัญกับอารมณ์เราจะสงบเพราะว่าจิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวไม่วกแวกจิตก็สงบถ้าเราให้ความสาคัญกับจิตเราจะได้เรียนรู้ ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตเราจะได้ปัญญาเพนะฉะนั้เราเอาจิตเป็นหลักไว้ยกเว้นเวลาที่ต้องการพักเราก็เอาอารมณ์เป็นหลักนะแต่อย่าสมมติว่าหลวงพ่อต้องการพักหลวงพ่อจะไปอยู่ที่ลมหายใจนะถ้าเราพักพอแล้วถ้าเราพักพอแล้วนะ แล้จิตเรารวมอยู่ในสมาธิเราหายใจให้แรงขึ้นให้ใจให้แรงขึ้ น, นะใ จ, ในจิตมันจะถอนตัวขึ้นนะจากสมาธิที่มันลงไปสงบนิ่งอยู่กับอารมณ์มันจะถอนตัวขึ้นจากอารมณ์นะหายใจแรงขึ้นนะแล้วก็กลับมาอยู่กับโลกข้างนอกอย่างนี้หลัาจากนั้นนะเราก็ทำสมาธิชนิด จิตตั้งมัน่นหายใจไปหายใจเป็นแค่แบกกล่าวเป็นพื้นหลังตัวที่เราจะดูคือดูจิตเช่นเราหายใจไปแล้วจิตหนีไปเรารู้ทันจิตหนีไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้ทันจิตหนีไปคิดเรารู้ทันคอยรู้ทันจิตที่มันกระดุกกระดิ๊กเคลื่อนไหวอย่างเมื่อกี้ที่นั่งนะสังเกตไหมตอนที่นั่งนะจิตมันก็สายไปสายมาดูออกไหมเออนะ แล้วก็เห็นจิตมันสายใจเราเป็นคนดูแล้วถ้าถ้าใจเป็นคนดูได้ จ, จะเห็นมันสายสายตรงที่เป็นคนดูนะตัวนี้ไม่เคยสายเลย น, นั่นแหละคือตัวจิตผู้รู้เราก็เห็นอาการที่เคลื่อนไหวไปมาก็เป็นของถูกรูนะ้มีตัวหนึ่งเป็นคนดูแต่ถ้าได้ตัวนี้มาแล้วเนี่ยห้ามรักษานะห้ามไปมองมันตร ง, ตรง ถ้าเราไปมองตัวจิตผู้รู้ตรงๆเลยจะติดสมาธิชนิดที่แก้ายากที่สุดเลยแก้กันแลมปีเลยหลวงพ่อเคยพลาดไปติดนะตอนนั้นหลวงปูด่ดูลไม่อยู่แล้วไปภาวนาวัดน่าเรียนจำกับหลวงพ่อคืนนี่หลวงพ่อไปดูที่มันไหวอยู่กลางอกนะดูมันไหวไหวไหวหลวนะงพ่อคืนนั้นก็โยวยไหว ท่านเห็นปุ๊บท่านก็โวยนะเฮ้ยพมอดวิตูอะไรตั้นั่นนะนี่จิตมัอยู่ทางนี้ไนันไม่ใช่จิตแทนที่ท่านจะบอกเราว่าจิตมันถลําลงไปไที่ตัวไหว้กลางหวกเนะ่ยท่านบอกนะั่นมันไม่ใช่จิตจิตอยู่ทางนี้เราได้ไม้ตายของการภาวนาแนละ้วเล็บเข้ากุฏิเลยท่านรักหลวงพ่อมากนะเวลาหลวงพ่อไปหาท่านเนยท่านให้อยู่กุฏิตรงข้ามกับท่านเลยห่าง ก, กันไม่กี่เมตรละ พอเราเข้ากุฏิได้เราปิดประตูเลยไม่ยุ่งกับใครแล้วเสร็จแล้วก็นั่งภาวนาหายใจไปแล้วก็เนี่ยจิตเป็นคนรู้แล้วก็สติจับลงไปที่ตัวจิตเนี่ยพอสติจับไปที่ตัวจิตนะตัวจิตกลายเป็นของถูกรู้เกิดจิตตัวใหม่ขึ้นมาแล้วก็มีสติจับไอ้จิตตัวใหม่สมมติจิตตัวที่สองตัวแรก เราไปเห็นมันมันก็กลายเป็นของถูกรู้มีจิตผู้รู้คือตัวที่สองเราไปมองตัวที่สองมันเกิดผู้มองขึ้นมาคือเกิดจิตผู้รู้ตัวที่สามขึ้นมาไอ้ตัวที่สองเป็นตัวถูกรู้แล้วเนียวิญญาณเป็นอ น, นันต์เพราะนั้นเราไปดูตัวจิตตรงๆเนียมันจะไปสู่อรูปฌานจะเรียกว่าวิญญาณเป็นอนันต์หมายถึงมีวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุด เกิดไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนี่พอถึงใกล้สว่างนะหลวงพ่อใจเด็ดนะนั่งดูดูไปเรื่อยๆนะพอใกล้สว่างรู้ว่าผิดละพอคิดถึงการปฏิบัติจิตมาจับตัวผู้รู้ไว้แน่นเลยนะเด่นดวงมองหมาหมายังหางจุกก้นเลยนะใจในพลังมหาศาลเลย แต่เรารู้ว่าผิดแล้วพอผิดแล้วเราทํำยังไงโมโหสิเราภาวนาของเราดีๆหลวงพ่อคืนมาสอนเราจนเราทําผิดไปจับเพ่งตัวผู้รู้อยู่แล้วเลิกไม่ได้พอเพ่งตัวผู้รู้เราเลิกไม่ได้นะโมโหท่านนะพอสว่างปุ๊บหลวงพ่อผลักประตูโครมออกมาเลยจะไปเล่นงานท่านจะไปวากท่านท่านก็จิตไวมากนะของเนี้ย หลวงพ่อผลักประตูท่านก็ผลักเนี่ยผลักพร้อมกันเลยนะโลรมคนฟังนะเราขยับปากจะต่อว่าท่านว่ามาสอนอะไรเราท่านชี้หน้าเราก่อนเลยพระโมทโธนาไม่ได้เรื่องเลยนะเล่นเราก่อนเลยนะคล้ายๆโจมตีก่อนได้เปรียบหลวงพ่อก็บอกว่าผมทําอย่างที่หลวงพ่อบอกนั่นแหละมันเพี้ยนไปหมดแล้วท่านบอกไม่ได้ให้ทําอย่างนี้ไม่ได้ให้มาเพ่งตัวผู้รู้อย่างนี้นะ จะบอกว่าอย่าไบจมอยู่ตรงนี้บอกเอาแล้วไม่หลวงพ่อไม่บอกอย่างนั้นนะ่ะบอกนี่จิตมันอยู่นี่เราก็ออกจะให้ดูจิตจไม่ดูตรงนี้ตัวเนี้ยหลวงพ่อใช้เวลาปีกว่าๆนะในการแก่เลยรู้เลยว่าถ้าติดตัวผู้รู้นะแก้ยากที่สุดเลยในบรรดาสมาธิทั้งหลายด้วยกันนะสมาธิบางอย่างนะเคยเล่น เราอยากจะลองสมาธิบางอย่างจิตมันเคลื่อนไปที่สิ่งที่ถูกรู้พอมันเคลื่อนไปมันใกล้จะจับจิตมันจะไปตะครุบแล้วเราไม่ให้ตะครุบนะเราย้อนกลับมาที่ตัวผู้รู้พอมันจะมาจับตัวผู้รู้เราพ็ไม่ให้จับนะเราถอยไปที่สิ่งที่ถูกรู้อีกถอยแะหว่างจิตกับอามนเคลื่อนไปเคลื่อนมามันรวมปุ๊บลงตรงกลางเลยโลกทั้งโลกหายไปหมดเลย เหลือแต่ธรรมชาติรู้วันเดียวเหลือแต่ธรรมชาติ้วนเดียวไม่มีความคิดไม่มีเวลาไม่มีอะไรเลยเราเป็นดูนิพพานเหรอถ้าจะดีมั้งเขาเล่นอยู่ตรงนี้ช่วงหนึ่งนะแล้วก็พบว่าไม่ใช่หรอกมันยังมีการเข้ามาตรงนี้แล้วก็หลุดออกมาเข้ามาตรงนี้แล้วก็ถอยออกมา ไม่ใช่ยังเป็นของที่แปรปลวนอยู่ไม่ใช่ของจริงเอาไปกลับหลวงปู่เทศเล่าให้ท่านฟังนะว่าทำแบบนี้อย่างนี้แล้วจิตมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผมสงสัยว่าไม่เป็นสมถะบอกท่านงนี้ท่านบอกใช่เป็นสมาธิอย่างหนึ่งแต่ว่าไปฝึกไว้ให้ชำนาญ น, นะในยุคนี้คนที่ชำนาญเรื่องสมาธินะไม่ค่อยมีแล้ว ไปฝึกไปไม่มีใครเคเล่นกันเท่าไหร่ละหลวงพุทธเป็นพระที่เก่งสมาธิมากนะท่านเคยติดสมาธิอยู่สิบสามปีเมือไท่านเชี่ยวชาญเรื่องสมาธิท่านบอกให้ไปทำให้ชำนาญหลวงพ่อพระเรียนท่านบอกผมกลัวติดท่านบอกว่าไม่ต้องกลัวถ้าติดอาตมาจะแก้ให้เองท่านพูดแบบห้าวหาญเลยเนะเราครูบาอาจารย์ให้ท้ายเราเอาใหญ่เลยเล่นทุกวันเลยนะ ไม่จับอะไรเลยไม่จับผู้รู้ไม่จับสิ่งที่ถูกรู้ไม่จับอะไรเลยวันหนึ่งไปเจอจันบุญจันน์นรัไม่รู้จักท่านแต่ท่านให้พระมาเรียกหลวงพ่อไปหาแล้วท่านก็ด่าวะว่านิพพานอะไรมีเข้ามีออกนั้นเราก็เลยรู้ว่าตัวนี้ก็ไม่ไมเสียเวลาทําไปเท่าไหร่มันก็ไม่นิพพานอเป็นของนิพพานของพวกพลมเ้าไม่ใช่ของพวกพุทธ เรื่องสมาธินะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนวิจิตพิสดารมากนะทําอะไรได้ตลาดประหลาดมากมายเลยนะอย่างเราไปอยู่ในที่อับๆนะและ้วกําหนดจิตอย่างสมว่เราอยู่ในห้องทึบๆในที่แคบๆเรากําหนดจิตข้างๆเราเนี้ยเป็นช่องเป็นช่องว่างมนะันจะมีความรู้สึกเหมือนอากาศถ่ายเทได้นะจะอยู่ได้นานเลยจะอยู่ได้นาน เรื่องของสมาธิทำอะไรได้แปลกๆ แ, แต่สมาธิพวกนี้ไม่เป็นไปเพื่อมาผลนิพพานอย่าไปเล่นเลยเล่นเราเสียเวลาเล่นเราเล่นไม่เลิกบางคนฝึกไปฝึกไปอยากใหญ่อยากเก่งสะกดคนอื่นได้นะสะกดคนอื่นให้ยอมอยู่ในอำนาจเราเลยจงรักพักดีรักเราบาทีก็โอโลมปฏิโลมนะโอ้ เธอเคยเกิดเป็นลูกฉันน ะ, นะชาตินี้เราบุญมาเจอกันอีกแล้วไอ้คนได้รับพยากรก็ปลื้มนะมีเงินเท่าไหร่ก็ให้หมดเลยหลวงพ่อก็พูดได้พวกเราเนี่ยเป็นพ่อแม่พี่น้องกันมาตลอดพวกเราเป็นพ่อแม่พี่น้องกันมานะอวดอุตรีไหมไม่อวด พราะพพุทธเจ้าบอกว่าคนที่มาเจอกันเนี่ยที่จะไม่เคยเป็นพ่อแม่พี่น้องกันมาก่อนเนี่ยหายากนะแต่ไม่ใช่โอยเธอเคยเป็นเมียฉันมากลับมาเป็นเมียใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะมีนะพวกปรับนาบ้าบ้าบาโเนี่ยนั่นะทำอย่างนั้นจริงๆนะที่ก็หลอกเขาเนี่ยโอ้ยเธอเป็นลูกฉันมาก่อนนะเธอเป็นญาติเป็นเพื่อนรักอนะไรอย่างเงี้ย ไอ้คนฟังก็เคลิมเลยนะเพราะฉะั้นถ้าเราไปเจอใครสอนกรรมฐานเราแล้วสอนแล้วสไตล์แบบนี้นะระวังตัวไว้ให้ดีนะดีไม่ดีเขาหลอกเอาเดีวเขาสะกดเอาถูกเขาสะกดเนี่ยจิตเราจะมืดไปหมดเลยเราไม่มีความเป็นตัวของตัวเองมันตรงข้ามกับสิ่งที่หลวงพ่อสอนหลวงพ่อสอนพวกเราให้ตื่นให้รู้สึกตัวให้เป็นตัวของตัวเองถึนะงบอกว่าอย่ามา ก็หลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่เอาด้วยหรอกนะตัวใครตัวหมันหลวงพ่อสอนให้แล้วก็แลมันไปนะหลวงพ่อไม่เคยเปิดลงทะเบียนนะ น, น่ามีลูกศิษย์แล้วอันดับที่ห้าหมืนหนึ่งพันสองร้อยเลยไม่มีสอนให้ใครรักดีก็ไปทํำอ่ะใครไม่อยากทําก็ไม่ว่าอะไรสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมถ้าทุกคนทําเดี๋ยวรู้มากผลไปหมดหอะ มานกลุ้มใจยังพยายามรู้สึกตัวนะแต่ไม่ใช่แกล้งทำเนี่ยตอนนี้จิตเราเป็นอย่างนี้หลวงพ่อทำหน้าให้ดูดูออกยังว่าเป็นอย่างนี้ เนะีนะ่ยนเนี่ยจิตเราเป็นอย่างนี้พอจะดูได้ยังรู้สึกไหมว่าตรงนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันตรงนี้แหละจิตที่ตั้งมัน่นนะเพราะฉนั้นที่ทำแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ถึงฐานนะที่ถึงฐานมห้อยู่ที่นี้อย่ารักษาแค่ว่าจิตไม่ถึงฐานรู้ว่าไม่ถึงฐานแล้วมันเข้ามาเองแล้วต่อไปเราจะเห็นเลยจิตผู้รู้ที่ถึงฐานจริงๆนะกับจิตผู้หลงไปเนะ ล้วนแต่เกิดระดับปัญญามันอยู่ตรงที่เห็นว่าจิตทุกชนิดเกิดระดับเอ้าอะไรนะไม่มีแล้วเลยสิ้นสงสัยแล้วเรือื <laughs> <c oughs> <c oughs> ่อทีไปเจอครูบาอาจารย์ท่านก็ถามสิ้นสงสัยแล้วเรอือก็พยายามทำตามที่หลวงพ่อสั่งสอนนะคะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตอนนี้จิตฟุ้งซ่าน ร, ร, รู้ไหมเออถ้ารู้ก็ใช้ได้นะไปรู้อย่างนั้นแหละรู้บ่อยๆตรงนี้บังคับจิตอยู่รู้ไหมไปทำจิตมามาจ้องการใครจะกระพิบก่อน <c oughs> ไม่ได้กินเรา วันนี้นแค่นี้ก็ละกันหลวงพ่อเทศให้ครึ่งชัง่วโมงลดลงนะการที่หลวงพ่อคอยถนุถนอมเสียงตัวเองทำให้ยังพูดได้อยู่ครูบาอาจารย์หลายองค์ท่านพูดไม่ได้ไหลายองค์เลยยังจันเปลี่ยนช่วงหนึ่งพูดไม่ได้ไม่มีเสียงมีองค์ไหนอน่ะ มีหลวงพ่อจจหลังเนี่ยถึงจุดนึ้งพูดไม่ได้นั่งเขียนนะเขียนใครถามอะไรก็เขียนเขียนถ้าเป็นหลวงพ่อนะหลวงพ่อจะขีแล้วมีจออยู่ข้างหลังเลยนะเ <rí> e> <sk ill> ขเรียกว่าคนระยุนะนัะ่นงเขียนไม่ไหวะ นี่หลวงพ่อดีขึ้นเยอะแล้วนะตอนไปเมืองลาวนี้มันใช้พลังมากเกินไปสามวันเนี่ยหลวงพ่อเทศแปดรอบนะจนหมดพลังที่จะคุ้มครองตัวเองกลับมาก็เป็นหวัดแล้วก็ต่อด้วยใส่นักเสกษาไปมาให้กินยาค่าเชื้อนะเนี่ยหมดให้ยากินจนครบ ไม่หายเปลี่ยนยาไม่หายเปลี่ยนไปสามสามครั้งสามยาก็ไม่หายไปตรวจที่โรงพยาบาลแถวพัทยานี่ยตรวจเขาบอกเป็นไซนัสไม่ใช่เป็นวัดรกักก็พยายามกินยายล้างจมูกอะไรเงี้ยแต่ล้างไม่เป็นเปเช้น น, น้ำเกลือธรรมดาล้างม่ห่ยไม่หาย ไ, ไป หมอก็ส่งต่อไปที่สิริราชนะหมอก็ดีนะบอกให้ไปห า, าจาย์อีกทีไปตรวจเจอจันไปตรวจแล้วก็บอกว่าใส่หน้าหลักเสพถ้าหลวงพ่ออยากฉันยาให้สบายใจก็ฉันแต่ไม่มีผลอะไรหรอก วิธีรักษาคือทำไงมันจะยุบบวมถ้ามันยุบบวมลงเนี่ยสารคัดหลัง่งอะไรสิ่งโสโครกมันจะไหลออกได้การอักเสมก็จะลดลงเพราะฉนันต้องแก้ที่ต้นเหตุมันบวมทําวทำไงให้หายบวมวิธีทำให้หายบวมเนี่ยอันแรกเลยอไปน้าร้อนเอาน้ำใส่กระมังนะน้ำร้อนเดือเดอเดืแล้วใส่ เอาผ้าคลุมครอบหัวไว้หายใจเอาน้ําไปน้ําร้อนไอร้อนเนี่จะทาให้เส้นเลือดเนี่ยมันหดตัวลงความบวมจะยุบลงหลังจากนั้นก็ล้างจมูกล้างจมูกด้วยน้ําเกลือนะแต่ต้องเป็นน้ําเกลืออุอ่นๆนะน้ําเกลือเย็นๆล้วฉีดเข้าไปนะมันยิ่งคัดมากกว่ากับล้างด้วยน้ําเกลืออุอ่อนะ น้ำเมือกอะไรไมันจะออกออกออกไปนะก็จะดีขึ้นตอนนั้นเป็นถึงขนาดไม่ได้ยินเสียงเลยนะหูเป็นน้ำหนวกเลยเสียงก็ไม่มีหูก็ไม่ได้ยินะตอนนั้นเป็นเยอะเลยมยีช่วงหนึ่งจาได้ไหมหของพ่อบอกหลวงพ่อไม่ได้ยินแล้วนะะเพรอเว่าใช้พิธีธรรมชาติเนี้ยอย่างคนโบราณ น, นะเวลาเป็นวัดนะเอาน้ําร้อนใส่ไหมเอาหัวหอมทุบลงไปใส่แล้วครอบ หมอสมัยใหม่กับเอามาใช้วิธีธรรมชาติอย่างนี้นะกับได้ผลนะงั้นลองไปทำดูน้ำเกลือก็ไม่ต้องไปซื้อหรอกซื้อเกลือมานะแล้วก็หาน้ำสะอาดนะน้ำต้มน้ำอะไรอนยะ่างเงี้ยเจ็ดร้อห้าสิบสี่สี่ใช้เกลือหนึ่งช้อนชานะทำเองก็ได้ไม่ต้องซื้อซื้อแพงกวหนึ่งหกสิบบาท ล้างทีหนึ่งก็หมดละไปทำดูเวลาเป็นหวัดนะจะหายเร็วล้างเอาเชื้อโรคออกไปบางคนเป็นหวัดไม่รู้จกักหายจริงๆไม่ได้เป็นหวัดแล้วเป็นอย่างอื่นหมดเวลาแล้วตอนนี้ฝุ่นเยอะกลับบ้าน ไม่หมดเลยครับ